เป็ของมันดังแมวกับประชอบทําของไม่ดังทำไมคุณมนต์เราก็แต่ของง่ายก็ไปทําของง่ายตรงนี้ไม่ดังก็ตรงนี้ดังรอบตรงนี้ทําของง่ายกลายเป็นของยากเลยเพราะความความอยากสบาย ถ้าซื้อแค่นี้มันเมื่อยยังไงมันเนี่ยมันเมื่อจะมีสองมือเมื่อมือขวาเขเปลี่ยนมยังไม่ได้เป็นท้องหนักเลยคนเห็นแล้วเขาเหลือยแทนเราพยายามหาใหม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมันก็ไม่ได้เรื่องอย่างเนี้มันธรรมชาติตามตามความจริงเราต้ดูความจริง ความจริงมันตรงไหนมันได้ผลดีเราก็เอาอย่างนั้นอยากไปเอาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ทำในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วมันงาน่ายมันสะดวกมันสบายปัญหาของพวกเราก็คือใจเรามันมีความอยาก อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้พอมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นก็เราก็พยายามหาวิธีทําให้มันเป็นไปตามความอยากของเราพอเป็นไปแล้วมันก็เท่านั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาก็คือความอยากมันก็ยังไม่ตายไปพอเราทําได้ความสมอยากได้สิ่งที่เราอยากได้แล้ว ความอยากมันก็ไปโผล่ขึ้นไปที่ระยกอีกอย่างหนึ่งมันก็อยากไปเรื่อยๆอยากได้อะไรก็พยายามหามาพอหามาได้แล้วก็อยากได้สิ่งที่ยังไม่ดีต่อไปอยากไปเรื่อยๆก็ไม่มีวันที่จะหมดปัญหาเพราะเวลาอยากได้อะไรสักครั้งหนึ่งมันก็ต้องอ มีปัญหามีอุปสรรคกว่าจะแก้ปัญหากว่าจะพ้น่ากอุปสรรคได้ก็เสียเวล า, าหมดหมดหมดเงินหมดทองไปโดยใช่เหตุเพราะว่ามันไม่ได้ไปแก้ปัญหามันกลับไปสร้างปัญหาขึ้นมาต่อเพราะว่าความอยากเมื่อเรา ไปแล้วความอยากมันจะมีอายุต่อขึ้นไปยาวขึ้นไปอยากอันนี้แล้วก็อยากได้อยากจะได้ของที่เราเคยได้แล้วของที่เราเบื่อที่ได้แล้วเบื่อเราก็หาของที่เรายังไม่ได้มานี่คือเรื่องของความอยากมันจะไม่ดู วนันที่สุดถ้าไม่มีถ้าไม่ได้หยุดความอยากถ้าความอยากไม่มีวนันท้นสุดปัญหาเรื่องความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีวนันท้นสุดดัง น, นั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริงก็คือต้องหยุดความอยากถ้าหยุดความอยากได้แล้ว ปัญหาต่างๆก็จะหมดไปที่เราอยากก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันไม่ได้เป็นคำตอบคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความอิ่มีความพอสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่พวกเราแสวงหากัน แม้ว่าจะเป็นลาบยมและเสริญเป็นความสุกทางตาหูจมูกริ้งกายมันไม่สามารถให้ความอิ่มความพอแก่ใจของเราได้ต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามความพอจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่หยุดความอยากได้นั่นเองได้เงินมา ร้อน ล, ล้านก็ยังไม่พอได้พั น, นพล้านก็ยังไม่พอได้แสนล้านก็ยังไม่พอมันก็ยังอยาก อ, ากอีกถ้าไม่อยากได้เงินมันก็อยากจะได้อีกเกี่ยงเกี่ยงต้ตาหม้ได้เงินมากแล้วทีนี้ก็อยากจะได้เกียรติอยากจะมือได้ราบยศได้ยศ พอได้ราบแล้วก็อยากจะได้เยอะเหนืย่ยแล้วทีนี้ก็อยากจะดีตำแหน่งอยากเป็นขุนหญิงเป็นคุณนายอยากเป็นรัฐมนตรีเป็นนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีมันมีความอยากต่อไปเรื่อยอ ย, อย่างที่เคยพูดไว้ว่าความอยากมันเริ่มต้นจาก การอยากมีอยู่ดีกินดีพอเกิดมาแล้วเราก็อยากจะอยู่ดีกินดีคือไม่ไม่อดอยากขาดแคลนพเราอยู่ดีกินดีแล้วเราก็อยากจะมีมากๆอยากจะร่าอยากจะรวยพอรวยแล้วก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีเกียดมีชื่อเสียงมีหน้ามีตา พอมีแล้วก็อยากจะมีไปนานๆไม่อยากให้มันเสื่อมหมดไปถ้ามันต้องเสื่อมหมดไปก็คือเวลาที่จะต้องตายก็ขอก็อยากจะไปสวรรค์เความอยากมันต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุถ้ามีความอยากมันก็ยังมีความหิวมีความต้องการ มีความไม่พอมันก็ไม่มีความก็ไม่มีความอิ่มเราต้องหยุดความอยากเพราะถ้าว่าเราหยุดความอยากได้ความอิ่มความพอก็จะเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงความความอิ่มความพอที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาลองตัดทชืแล้วยำเอาความจริงนี้มา เ, าเคยแต่มาบอกพวกเราพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้ได้พวกเราก็จะลงอยู่กับการหาลาภยกสาระหาความสุดทางนาต่ไม่จะมีจริงใจ เราก็ต้องลดทุกข์กับความเสื่อมของลาบยศและรอบแสงมาเสื่อมกับความเชิดทางตาหรือจมูกสิ้งกายเมื่อเวลาเราสูเ่เสียสิ่งที่เรารักไปรเสื่อมเสียบุคคลที่เรารักไปเเราก็จะเศร้าเสืเสียใจในขณะที่เราอยู่กับสิ่งที่เรารักกับบุคคลที่เรารัก เราก็มีความหวงแหนมีความยิดตอกังวลกลัวว่าเขาจะจากเราไปเวลาที่เราไม่มีสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักเราก็อยากจะมีมเราอยากจะมีเราก็อยู่ไม่เป็นสุกขเราก็ต้องไปเดินนนไปแสวงหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบ บุคคลที่เรารนะักบุคคลที่เราชอบขอเขาพราะว่าภายใจของเรานั้นมีแต่ความอยากจึงจำเป็นเึงผถักดันให้เราไปหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ความอยากของพวกเราเนี้ก็เกิดจากความหลงเห็นผดเป็นชอ่อเห็นกองจากเป็นดากบวงเห็นความทก็ว่าเป็นความสุขเห็นลาบเลือดสาส้ เห็นความสุขทางตาเหน็นสนุกยิ่งกว่ว่าเป็นสุขแต่ทางจินแล้วเขาเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาไม่เขาไม่เที่ยงแท้แน่ น, นอนเขาไม่เจริญอย่างเดียวเขาเจริญแล้วเขาก็เสื่อมด้มวย เ, เขาเกิดแล้วเขาก็ดับ hours. เขามาแล้วเขาก็ไปเรามองไม่เห็นส่วนที่เชื่อมส่วนที่ดับ ส่วนที่จากเราไปเวลาเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้เราจะไม่คิดว่าเขาจะจากเราไปเราจะไม่คิดว่าเขาจะเสื่อมเขาจะเปลี่ยนไปนี่คือความหลงทำให้เราวม่เข้าหาความเพลอยู่ตลอบเวลาเพาไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่ น, นอนไม่เห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆ แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขแก่เราได้อย่างแท้จริงเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ได้พบกับนักบวชหรือพบกับพระพุศาสนาโดยเฉพาะพระพุศาสนาเราจะรู้ว่า ความสดที่แท้จริ น, นันอยู่ในใจของเราอยู่ในตัวของเราอยู่ในการทำใจของเราให้สงบถ้าไม่มีศาสนาก็จะไม่มีใครเรื่อ ง, องนี้คนที่ไม่มีศาสนาเขาก็ไม่เคยคิดที่จะทำใจของเขาให้สงบเขาไม่รู้ว่าความสดที่ยิ่ยงใหญ่ ความผิดที่ดีและความผิดที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจเขาก็ทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับการแสวงหาลาบยกสรเสริญหาความสุขทางานใเหรือกิเลสขึ้นกายแล้วเขาก็ต้องอยู่กับกองทุกเวลาที่่งต่างๆเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไป มีการเปื่อนหมดไปนี่คือความโหยในใจของผู้ที่ไม่ได้เข้าหาศาสนาไม่ได้พบกับศาสนาเช่นพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่รู้ความจริงรู้ความสงบสุขของใจว่าเป็นความสุขที่แท้จริง รู้จักวิธีสร้างความสุขนี้เล้วก็สร้างให้ถึงขีดสูงสุดคือขีดที่ไม่มีวันเสือ่สะสะอมศาสนาเหล่านี้ก็รู้เหมือนกันรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจแต่เขาไม่รู้วิธีที่จะสร้างความสุขให้ถึงขีดสูงสุดคือถึงขีดที่ไม่มีวันเสือ่อมเขาสามารถ สร้างความสงบความสุกของใจได้ในระดับชาญในระดับในระดับสมาธิที่ยังต้องมีวันเสืิอมหมดไปอยู่เขาไม่รู้กับวิธีสร้างใจให้สงบอย่างถ้าวลก็คือทำใจให้เป็นพระนิพานคว่าพรนิพพานก็คือใจที่มีความสงบอยู่ ตลอดเวลาอย่างถาวรที่ใจสงบได้อย่างถาวรก็เพราะว่าเหตที่ทำให้ใจไม่สงบคือความอยากทั้งหลายได้ถูกกําจัดไปหมดด้วยอำ น, นาจของปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นว่าสลประสงค์ทั้งหลายในโลกนี้น้วนเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา ต้องมีปัญญามีความรู้อันนี้ถึงจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไปได้อย่างท้าวนถ้ากำจัดด้วยทำให้ความอยากนั้นหายไปชั่วคราวด้วยการเพ่งอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเพ่งนั่งสมาธิกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทธโธพุทโธ หรือเพ่งดูอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งบางแห่งเขากระชายให้ดูแสงดูสีือดูดวงแก้วอันนี้เป็นการควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปเ ร, เ, รเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อให้หยุดความคิดเชื่อกรา เมื่อหยุดความคิดเชื่อคาก็จะหยุดความอยากได้เชื่อคาเพราะความอยากก็ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือพอความคิดหยุดทำงานความอยากก็ต้องหยุดทำงานแต่ไม่ได้หยุดแบบท้าวเวลากลับสมาธิเวลาออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็จะตามมากับการคิดได้ พอคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้นพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้ น, ป น, นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความไม่สงบขึ้นมาเกิดความกงังวลกระวานกระสับกระสายกระตือรือร้นขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าความอยากนี้ไม่ได้หมดไปด้วยการหยุดความคาิด การอยากนี้เกิดจากความเห็นเกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการอยากได้อะไรแล้วจะได้ความสุดต้องรู้ว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิก็คือมีความรู้ในพระอริยสัจสีดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ทรงรู้ว่าความอยากได้สิ่งต่างๆนี่แหละ เป็นต้นเหตุที่มาทาลายความสงบของใจเมื่อความสงบของใจถูกทาลายไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็กลับมาแทนที่ถ้าอยากจะให้ความสงบกลับมาอยากให้ความสุขกลับมาก็ต้องหยุดความอยากและการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้น มันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้นอกจากไม่ให้ความสุขแล้วยังให้ความทุกข์ด้วยลองทิกเจนอาดูเราทุกวันนี้เราทุกกับอะไรถ้าเราทุกกับสิ่งที่เรามีไม่ใช่สิ่งที่เราไม่มีนี้เราไม่ทุกข์คนที่มีสามีมีภรรยาก็มักจะทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาคนที่มีลูกก็มักจะต้องทุกข์กับนี้ คนที่มีสรัพย์ก็จะทุกข์กับสรัพย์คนที่มียศ ก, ก็ต้องทุกข์กับยศคนที่มีความสุขทางตาหูจมูกลินกายก็จะต้องทุกข์กับเรื่องของความเสือมของรูสีกลิ่นรสผนัทะเรื่องของความเื่อมของตาหูจมูกลิ้นกาย ที่เราต้องรักษาตาเราให้ดีเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ใช้ตาเราดูรูปให้เกิดความสุขรักษาหูก็เพื่อที่จะได้ยินเสียงที่จะทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาแต่รักษายัางไงไม่ช้ากเ็เร็วมันก็ต้องเสื่อมหมดไปตาหูจมูกมิ้งการนี้มันไม่เที่ยงมันต้องเสื่อมหมดไปรู้เสียงกลิ่นรสผดสะพที่เราได้เสกสัมผัสเขาก็ไม่เที่ยง เขามาแล้วก็เขาก็ไปเราไปดูภาพยนตร์พอดูเสร็จแล้วมันก็หมดไปถ้าเราอยากจะดูอีกเราก็ต้องกลับไปดูอีกถ้าเราอยากจะฟังนะฟังอะไรเราก็ต้องกลับไปฟังอีกฟังเท่าไหร่ฟังเสร็จมันก็หายไปหมดไปก็ต้องคอยฟังอยู่เรื่อยๆต้องคอยดูอยู่เรื่อยๆต้องคอยดื่มอยู่เรื่อยๆต้องคอยรับประทานอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความส นี่แหละคือความสุขของค ว, ความทุกข์ของคนที่มีงต่างๆมีราบ ก, ก็ต้องทุกข์กับราบมียศ ก, ก็ต้องทุกข์กับยศมีสารนเสริญก็ต้องทุกข์กับสารนักเสริญก็คือเวลาไม่ใช่เป็นสารนเสริญแต่เป็นเป็นเสียงมินทาเคยได้ยินเสียงสารนเสริญพออยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีดๆก็มีคนมานินทาเข้า พอได้ยินเสียงมิคาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเคยเคยได้ยินแต่เสียงสรรเสริญพอเสียงสรรเสินหายไปเสียงมิคาปรากฏขึ้นมาก็จะต้องทุกกับเสียงมิคาเคยมีความสดกับรูปเสียงกลิ่นรสพอตาหูจมุกนิ้วกายไม่อยู่สาไม่อยู่ในสภาพที่สามารถดูรูปเสียงกลิ่นรสเกิดรูปเสียงกลิ่นรสได้ ตอ น, นั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาไม่สบายร่างกายไม่สบายไม่สามารถไปดูไปฟังไปเดินไปรับประทานอะไรได้ตอนนั้นก็มีความทุกข์ใจขึ้นมาแต่คนที่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราบยศ ส, สารเสริญกับรู้เขียนจิตยศเถรัถธธพธะ ก็จะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้คนที่ไม่มีสามีภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีภรรยาคนที่ไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกกับกับลูกคนที่ไม่มีร่างกายก็ต้องก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายคนที่ยังมีร่างกายก็ยังต้องทุกข์กับร่างกายทุกข์กับการดูแลรักษาร่างกายหาอาหารหาน้ำหาอากาศ มาหลอกเี้ยงร่างกายสลอดเวลาแล้วยังต้องมาทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์กับการหาอาหารหาน้ำหาอากาศมาให้ร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย พระพุทธเจ้าทรงทรงกัดว่าทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่มีร่างกายไม่เกิดแล้วก็ไม่มีราบเลือดสนเสริญไม่มีความสุขทางกาหูจหมิหรเสื่อตายแต่ผู้ที่จะไม่กับไม่เกิดได้นี้ต้องมีสิ่งที่ดีกว่าต้องมีสิ่งที่สามารถสกับหรือทำลายความอยากในใจได้สิ่งที่จะทำลายหรือสกัด ความอยากภายมนใจก็คือความสงบนี้ผู้ใดได้เข้าถึงความสงบแล้วผู้นั้นสามารถหยุดความอยากได้เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหลือความสุขทั้งหลายที่ได้จากความอยากนี้พอได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วผลดีต่อให้ได้ร้อยล้านพันล้านก็ไม่ถึงเป็นยืนดอแต่อย่างใด ได้เป็นนายกให้เป็นประธานาธิบดีก็ไม่ได้ตื่นเต้นดีใจอะไรให้ไปเที่ยวรอบโลกสามวิหกสิบครั้งก็ไม่ตื่นเต้นใจอย่างใดขี้เกียจใจขึ้นนอนอยู่ในห้องนอนอยู่นอนอยู่ในปา่าสบายกว่าเย็นสบายกว่าไม่ต้องไปวุ่นวายกับการทําหนังสือเดินทางไม่ต้องไปวุ่นวายกับการทําวีซ่า ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการไปตรวจโรคฉีดยาป้องกันโรคภัยต่างๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับการจองตั๋วไปเดินจองที่พักไม้วุ่นวายเต่น่แต่คนที่ไม่มีความสงบความสุขภายในใจนี้เขากลับถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้เพราะว่าเขาคิดว่าเขากำลังจะได้ความสุขคือเขาได้ หนุดทนจากความเบื่อหน่ายเวลาก็อยู่บ้า น, ฉนเฉยๆไม่มีอะไรทำนี้เขาเบื่อหงุดหยิ ด, ยดน้ำคานใจพอเขารู้ว่าเขาจะได้ไปเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจางก็เลยเกิดความตรุงแต่ขึ้นมาว่าต้องสนุกต้องมีความสุขต้องดีกว่าอยู่บ้า น, ฉนเฉยๆอยู่กับความเบื่อหน่ายเขาก็เลยยอมสู้กับความ ยากลําบากในการที่จะต้องไปทําหนังสือเดินทางทําวีซ่าไปตรวจโรคไปฉีดยาจองตั๋วเรือบินจองที่พักอะไรต่างๆแล้วก็นั่งไปเสี่ยงภัยกับการนั่งเครื่องบินที่ไม่รู้ว่าจะลงมาแบบไห น, นแต่เขาไม่คิดถึงภัยเหล่านี้เขาไม่เคยคิดถึงความเสี่ยงเหล่านี้ เพราะความเบื่อหน่ายที่เขาต้องอยากจะนีนีม้มันมีอำนาจมากกว่าการที่เขาจะต้องไปเสีนยงภการที่เขาจะต้องไปวุ่นวายกับการทำอะไรต่างๆเพื่อให้เขาได้หือจากความเบื่อหน่ายอันนี้ไปเท่านั้นเองแต่สำหรับผู้ที่มีความสมบางบนั้นจะไม่มีความเบื่อหน่ายอยู่เฉยๆนี้จะไม่มีความเบื่อหน่า ย, ย, เ, ย, เ, ย, า เ, ายเพราะความสงบนี้ รงงับความเบื่อหน่ายรับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดมีแต่ความสุขความสบายความเย็นความเป็นอุนเบกขาคือไม่ยินดีไม่ยินล้ายอยู่อย่างไรอยู่กับอยู่ในสภาพใดอย่างไรก็อยู่ได้อยู่เฉยๆก็อยู่ได้ถ้าต้องทำอะไรก็ทำได้ถ้ามีเหตุให้ทำก็ทำแต่ แต่จะไม่หาเหตุมาทำเพื่อที่จะหนีความเบื่อหน่ายเพราะไม่มีความเบื่อหน่ายจะต้องหนีอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะทำให้เราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เราจึงต้องมาสร้างความสุดใจกันาการสร้างความสุดใจก็คือเราต้องปล่อยวาง ความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขใจนั่นเองก็คือเราต้องปล่อยวางรากรกเสริญปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกจิตใจด้วยการทำทานสละรากรกเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกจิตใจอย่างที่พระพุทธเจ้าในขณะที่เป็นเจ้าชายสุ ท, ทัตต์ได้ทรง ปฏิบัตทรงสละราชสมบัติสละความสุดทางตาหูจมูกมืนกายแล้วก็ออกบวชแล้วก็มาสละความอยากที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นสละก็คือความอยากที่จะข้าผู้อื่นอยากจะรักทัพอยากจะพึ่กพิษตัวเองนี่อยากจะโกหกหลอกลวง อยากจะเสดสุรายามาและอาบายามุขทั้งหลายต้องรักษาสินให้ได้แล้วก็มาสละความคิดความคิดที่เราคิดอยู่ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับความคิดนี้เัานี้เป็นความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์จักใจคิดแล้วทำให้ใจคุ้งสร้างทำให้ใจหีททำให้ใจหยาเราต้องมาสละความคิดหลานี้ด้วยการ เเ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้เช่นเราจะใช้พุทโธกันอารมณ์เราก็บำเรียมพุทโธไปทั้งวันถ้าเราจะใช้ร่างกายเป็นอารมณ์เราก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนหลับทุกอิเดียบทุกขณะเช่นพอตื่นขึ้นมาลืมตาก็เฝ้าดูแล้วว่าต่อไปร่างกายจะทําทอะไร ร่างกายจะยุบขึ้นมายืนก็ดูเลยเท่าดูร่างกายว่าตอนนี้กำลังยืนตอนนี้กำลังเดินกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำกำลังจะไปล้างหน้าหาหน้าไปทำกิจต่างๆแต่เนื้อแต่งตัวทำอาหารรับประทานอาหารเดินทางไปทำงานทำภาร ก, กิจอะไรต่างๆ ให้ใจยอยู่กับร่างกายเท้าดูร่างกายอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยกเว้นเฉพาะเรื่องที่จนเป็ น, ปนจะต้องคิดจริงๆทะนั้นเนต้องคิดว่าวัานี้ต้องไปทำอะไรได้านื่อรู้แล้ ว, ลวต้องทำอะไรก็ดำเนินไปตาม ตามตามเหตุขอนั้นขณะที่ดำเนินไปก็ให้เฝ้าดูการเคลื่นอนไหวขับร่้งกายไปเดินทางไปก็เฝ้อยูร่างกายถ้าร่างกายนั่งอยู่บนรถเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็หลับตาแล้วนั่งดูลมหายําเข้าออกไปอย่านั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มองมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาแล้วก็มีอารมณ์กับเรื่องที่เห็นสิ่งที่เห็นเอามาคิดมาปรุงมาแต่ ทำไม่เกิดไม่สบายอกไม่สบายใจหรือเกิดความโลภเกิดความอยากได้ฉันนั่งรถไปเห็นป้ายโฆษณาถึงค้าก็อยากได้เห็นคนขับรถไม่มีอะไรยะก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาอย่าไปดูสิ่งเหล่านี้มาดูลมหายใจเข้าออกดีกว่าเวลาเดินทางไปทํา ง, งานถ้าเราไม่ต้องเป็นเราไม่ต้องขับรถเรานั่งเฉยๆนี่เรานั่งหลบตาดูลมหายใจไป จะไปถึงที่ทํา ง, งานอย่างรวดเลยจะไม่รู้สึกว่าเชื่องช้าเลยถึงแม้นัจะติดเป็นชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะใจเราไม่ได้มีความอยากจะให้ไปถึงตื่หมายปลายทางทันทีทันใดใจเราเฉยๆถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อ น, นั้นเพราะใจเราไม่ไปมีความอยากจะให้ไปถึงตามเวลาที่เราต้องการ พอมันไปไม่พอมันไปช้าหรือไปเร็วมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรล้วก็นั่งหลับตาเฝ้าดูลมหายใจเท่าออกไปจนไปถึงที่ทำ ง, งานพอลงจากดก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆทำาังเดินก็เดินไปเปิดประตูเดินไปพกใคร ถ้าจําเป็นจะต้องทักทายก็แผ่เมตตาสวัสดียิ้มย้มแจ่มใสสบายดีหรืออะไรอย่างนี้เราะว่ามันไปพอไม่ให้เสียมาละยากเากนั้นเราก็เดินต่อไปจนถึนที่ทํางานเพรเราต้องทํางานใจของเราก็เข้าอยู่กับการทํางานถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็เฝ้าดูความคิดให้คิดอยู่กับเรื่องงานเรื่องการอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นพอเสร็จจากเรื่องงานเรื่องการมีละลาว่า ก็นั่งดูลงต่อเรื่องคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราสามารถเจริญได้ตลอดเวลาถ้าเราเป็นนักภาวนาถ้าเราเจริญสติเป็นเราจะไม่เสียเวลากับการไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้วิาพากวิจารณ์เรื่องนั้นวิภาพษิจารณ์เรื่องนีนงนน้แล้วก็เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาให้เหนื่อยไปต่อไป ร่าก็จะไม่ไม่เน่งไม่สงบใจจะว้าวุ่นขุ่นเม้แต่ถ้าาจมีสติจเจริญข้าวอยู่ดูพ้าดูร่างกายตอาอยาลอดเวลาไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ใจจะเย็นใจจะว่างใจจะสบายนี่ถ้าเราใช้ร่างกายเป็นอารมณ์ถูกใจเป็นเป็นเป็นอารมณ์จเรียนสติเรียกว่าการยักกะตาสติ มีการใช้ร่างกายถ้าเราถนัด ก, กับการใช้บริการพุโทโธเราก็บริบรการพุโทโธไปทั้งวันเลยไม่ว่าเราเกำลังทำอะไรก็บริการมพุโทโธไปถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องคิดเรื่องเรื่องางานเรื่องการหรือเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดเราก็บริการพุโทโธไปอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยคิดเพาจ้คิดจินตนาการฝันไ ป, อ ย, ปน อ, ยงงนอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไปคิดอยู่กับพุทธโธดีกว่าบริการพุทธโธพุทธโธกันได้รับร่าหน้ว่าเวลานั่งสมานิ้ใจจะสงบได้อย่างเรืเ่อยๆนาทีสิบนาทีรู้ใจก็รวมได้เวลาัวมแ้วใจก็มีความสุขมีความเบา อ, อกเบาใจมีความว่า มีความเย็นมีความอิ่นมีความพอเป็นอุเบกขาสัตว์แต่ลามีแต่ไม่มีอะไรให้รับรู้คือไม่มีความคิดตรุงแต่งให้รับรู้ไม่มีเรื่องเสียงกินลบผดทัตะให้รับรู้ถ้ามีก็ไม่สนใจการสงบนี้สามารถสงบได้สอลักษณะสงบแบบเรืองเสียเกินลบผดทัตระหายไนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย หรืแต่ตัวรู้ผู้รู้สัตว่าต่วิวอยู่ตัวเดียวหรือว่ารูปเสียงเกิดรดโผล่พระยังมีอยู่แต่กายไม่ไปสนใจเสิงก็ได้ยินอาการทางร่างกายก็รับรู้ว่าเจ็บตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างแต่จะไม่ลำพังต่ไม่วุ่นวายจะไม่กังวลจะไม่มีอารมณ์กับ กับลูกเสียงเก็บได้สดชัด ป, ปล่อยวานได้าตามฝ่ายต่างอยู่กัน<_><_>เขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเขาของเราเสียงจะมีก็ปล่อยก็มีไปร่างกายจะเจ็บต ร, ตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ป่อยก็เจ็บไปใจจะเป็นอุเบกขาจะรับรู้เฉยๆจะไม่มีการคิดปรุงแต่งอยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปอยากจะให้เสียงนั้นหายไปจะไม่มีก็ไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ ก็จะอยู่อย่างสงบหน้แต่ถ้าเกิดมีความอยากขึ้นมาเมื่อไรก็จะทนนั่งอยู่ไม่ได้ถ้าอยากจะให้ความเจ็บของง่างหายหายไปก็จะเกิดความทุกขึ้นมาภายในใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บทางร่างกายก็จะทนนั่งอยู่แต่ไปไม่ได้หรืออยากจะให้เสียงนั้นหายไปไม่อยากจะฟังก็จะทนนั่งอยู่ไม่ได้ ต่ต้องลุกขึ้นแล้วเดินหนีไปให้ห่างไกลจากผีนั้นนี่คือปัญหาของความอยากถ้ามีความอยากเมื่อไหร่แต่ให้เรามีสนาที่มันก็สามารถาทำลายสมาีิความสงบได้ถ้าเราิสนาทีนะ่แล้วเราอยากจะรักษาความสงบของใจงต่อไปเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเรายาตออยา ใชนเวลาอยากจะเดินเครื่อเดินที huh? Jenny, ่ไ <diet> ม่จำเป็นต้องเดินเพราะอยากจะลล่นรถรดเกลือรถ้านรอะไรต่างๆก็บอกว่าอยากจะเดินดีกว่าเพราะว่าเดินแล้วมันทำให้เราตเราต้องเดินอีกคืครั้งเวลาเราอยากถ้าเราไม่ได้เดินเราจะปวดกีรษะเราจะไม่สบายใจแต่ถ้าเราเืน ไม่ไม่ด้าได้ใัของเราก็จะกับเข้าสื่ความเป็นอุเบกขาต่อไปได้หมายถึงเวลาเรามีสมาธิแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะมากดอุเบกขาที่มีอยู่ถ้าเราเอาหยุดตันหาได้อุเบกขาก็จะก็จะโผล่กลับคืนขึ้นมาใหม่นี่คือวิธีที่เราจะรักษาอุเบกขาเรื่องรักษาความสงบของใจ หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องคอยเตือนใจว่าอย่าทำตามความอยากความอยากนี้จะมาทำลายความสงบความเป็นอยู่เดมถาของใจและสิ่งที่เราได้จากความอยากก็จะสู้ความความสุขที่ได้จากความสงบความเป็นอุดมถนาของใจไม่ได้พอเอราพอกมาแล้วอยากอยากได้สัมผัสกับเลือเสียงสิเราก็ต้องบอกว่าอย่าไปเสก อย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปเดื่มอย่าไปรับประทานถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ต้องเดื not not ่มด้วยเหตุผลรับประทานด้วยเหตุผลก็คือถึงเวลาต้องรับประทานก็ค่อยรับประทานถึงเวลาต้องเดื่มค well, okay. ่อยเดื่นแต่อย่าเดื่มด้วยทางอยากเดื่มอย่ารับประทานด้วยความอยากรับประทานเราต้องสกับความอยากทุกๆแบบถ้าเราจะได้รักษาความสงบของใจเราได้ต่อไป แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเมื่อเราสกัดมันเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วทุก ใ, ใจของเราก็อยู่อย่างสบายไม่ต้องใช้ปัญญาแนละ้วเพราะว่าความอยากหแต่ำลังปัญญานี้มีไว้เพื่อสกัดความอยากเท่านั้นเอง ปัญญาจะสอนใจว่าความอย่างนี้คือต้นเหตุของความไม่สมานใจและสิ่งที่ใจอยากได้ก็ไม่สามารถให้ความสุขที่ถออามรได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เขี่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดแบบับเวลาได้มางอย่างก็ดีแต่ต่อไปมันกะเสื่อมไปมันจะดับไปจะหมดไปเวลามันเสื่อมเวลามันดับไปหรือเวลามันเปลี่ยนไป เวลานั้นมันจะไม่ได้ให้ความสุขกับเราแล้วเป็นคนที่เราได้รับความสุขจากเขาเวลาเขาเปลี่ยนไปเขาเคนดีกับเราแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ดีกับเราแล้วเราจะได้รับความสุขจากเขาได้ได้หรือเปล่านี่ก็คือเรื่องของการใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธมาแล้วเพื่อเราจะได้รักษาความสงบ ความสุเที่เกิดจากความสนุดให้อยู่อย่าง้าวรตลอดไปพอไม่มีความอยากมาทำลายความสุบแล้วก็ไม่มีความจาเป็นจะ ต, ต้องใช้ปัญญาต่อไปแสดงว่าไม่โรดคือความสนุบความดับของความทุกข์ก็คือความสนุบของใจนี้ค า, าวรนแล้วเพราะว่าไม่มีความอยากที่จะมาลบล้างมากบ คามสงบของใจเพราะมีปัญญาคอยควบคุมตัรหาความอยากอยู่ตลอดเวลานั่นเองปัคือคือการการปล่อยวางเพื่อทุกที่จะได้ได้ความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจของเราต้องปล่อยวางตั้งแต่ลาภยศและเส์ ปล่อยวางความคิดทางตาหูจมูกจมูกกายปล่อยวางความอยากที่จะไปทำร้ายผู้เหยียดเยียนผู้แล้วก็มาปล่อยวางความคิดตรงต่างต่างแล้วก็ปล่อยวางความอยากพอเราปล่อยวางทุกสิ่งที่อย่างได้หมดแล้วใจของเราก็จะสงบอย่างท้าวอ่อนนี่คือความรู้ที่มีรู้อยู่ใน มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเพีศาสนาเดียวแห่งความรู้ทีพระพุทธเจ้าได้สมบัตสรุปแลนำเอามาเผยแพร่สังสอนให้แกพวกเราผู้ใดสามารถปฏิบัติตามได้ทุนั้นก็จะได้รับผลก็คือความสุขที่ถาวรที่เรียกว่าปามังสุขขังนั่นเองนิบานังปามังสุขขัง นิบานังตปลว่าอะไรวิภานก็คือการไม่มีความอยากนั่นเองใจที่ไม่มีความอยากก็คือใจที่เป็นวิภานเมื่อไม่มีความอยากก็จะเป็นดลองดลังสุกขังเป็นดลังสุ ข, ขเคยเป็นความสุขที่ถาวอนไม่มีวันหมดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกระตางจะไม่มากระทบกระเทือนกับใจเลยเพราะใจได้ปล่อยวางทุกอย่างแล้ว ได้ปล่อยวางรางยดยลเสริญได้ปล่อยวางความสุขทางา ก, ยกายหูจมูกทิ้งกายได้ปล่อยวางความคิดตรงต่างได้ปล่อยวางความอยากต่างๆได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความรู้สึดเช่นเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ของร่างกายปล่อยวางได้หมดก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาทุกข์อีกต่อไป ถึงแม้จะมีก็ไม่เดือด้อนเพราะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปเวืนาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปลาบยศสะมาเสริมจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปลูกสีงกินรสผุดอะิษจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปตาหูจะมูกวิญญาณจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไป ถ้าจะรักษาก็รักษาไปตามเหตุตามผลรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงแต่ใจจะไม่มาวุ่นวายคิดไม่ได้นอนไม่หลับกับการมาดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าไม่สามารถจะรักษาได้ของทุกสิ่งทุกอย่างใน่องนี้จะต้องแปลเปลี่ยนไปหมดจะเลยมา ทุกสีทุกอย่างที่จเจริญทักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมหมดไปจะราหลังนี้ทักวันหนึ่งก็จะเสื่อหมหายไปเหมือนกับกลุ่มสีอนิจจยาหรือกลุมสุขโทยัยที่จะมีความสวยงามขนาดไหนยิ่งอย่างขนาดไหนก็ตาเมื่อถึงเวลาที่เขาจะเสือ่อมเขาก็ต้องเสื่อมหมดไปชีวิตของพวกเราร่างกายของพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกัน ไม่นาน ม, มันก็จะเสื่อมหมดไปร่างกายของเราทุกคนก็จะกลายเป็นเศษกระดูกกับเิษที่เขาที่กับปลาเล่เขาจะเก็บไว้ให้กับญาติพี่น้องในตอนเช้าหลังจากวันที่เขาได้ทําการชาวพนักติแล้วนี่คือความจริงที่พวกเราต้องมองกันไดาจะได้ปล่อยวางจะได้ตัด ไม่ยึดไม่ติดไม่หลงไปคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากธาตุสี่มารวมกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้เป็นรัตถูกต่างๆเป็นข้าวของต่างๆ รวมกันได้พักระยะหนึ่งนะก็ต้องแยกจากกันไปนี่คืออนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเป็นดินน้ำลมไสอยากไปยึดอยากไปติดอยากไปอยากได้อยากมีเพราะจะทําให้เราทุกข์ใจใจของเราจะ ก, ะกะังวลกังวลเวลาอยากได้ก็กังวลกวายเวลาได้มาแล้วก็กังวลกวายกลัวว่าจะ จากเราไปเวลาจากเราไปก็เศร้าเสียใจอาลัยอาวรเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองด้วยความอยากของเราด้วยความหลงของเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราอยากนั้นเป็นเป็นเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องทุกข์ใจกันนีไม่รู้ว่าความสุขความดับของความทุกข์นั้นอยู่ที่ไหน แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าอยู่ที่การทำทานอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การภาวนาสมถภาวนาวิตสนาภาวนาทำไมเราไม่ทำกันถ้าเราทำแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยเพราะพระพุทธเจ้าได้ทามาแล้วพระอาหารหันตสาวกขทั้งหลายได้ทำมาแล้ว ใจของท่านไม่มีทางทุกข์หลงหรืออยู่ภายในใจเลยเพราะท่านได้เจริญทานสีนภาวนาอยา่างเต็มที่นั่นเองพวกเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันถ้าพวกเราเจริญทานสีนภาวนาอยา่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายได้เจริญกันจึงขอฝากเรื่องของการเจริญทานสีนภาวนาเรื่องของการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเชี้ยงแพ้แน่นอนที่จะอยู่กับเราไปตลอดมีสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาทินขอยุติไว้เพียงเท่านี้แล้วมีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังหรือเปล่ามาแบ่งปันกันบ้างธรรมะที่ปฏิบัติปฏิบัติมาแล้วจิตสงบอย่างไร็นคุณค่าของการภาวนาอย่างไรมาแบ่งปันกันเพื่อจะได้ให้ผู้อื่นที่ยังไม่ได้เกิดกำลังใจขึ้นม า, าการได้ยินได้ฟังผลของการปฏิบัติ จากผู้ที่ได้ผลในเรานี่มันทำให้ผู้ที่ไม่ได้ผลนี้เกิดกําลังใจขึ้นมาอย่างเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านมาแสดงธรรมแล้วท่านเล่าถึงผลของการปฏิบัติของท่านนี่มันทําให้ผู้ฟังนี่เกิดกําลังใจหลังจากฟังเทศน์ฟังธรรมไปแล้วนี้มีกําลังใจที่จะภาวนากลับไปเดินำจงกรมได้หลายชั่วโมง นั่งสมาธิต่อได้ปกตินังจะนอนกันแต่พอวันไหนได้ ท, ทางเทศทังธรรมกลับไปแล้วใจมันกระปีก้กระเป๋ากระชับกระเฉงมันเหมือนกับว่าท่านเอาลิปทา์เอาผลของการปฏิบัติมายื่นให้กับเราท่านบอกหยุดไปเที่อยู่ตรงนี้เองหยุดไปเห็นดินยองกลงนั่งสมาธิพอเสเดี๋ยวผลมันก็มาเอง ควคุมใจของเราอย่าปล่อยให้มันลอยไปลอยมาอย่าปล่อยให้มันคิดด้วยเปลยให้มันอยู่กับพุโทโธให้มันอยู่กับร่างกายเท่านั้นเองอยู่ได้แล้วมันก็จะต้องรวมลงไปเข้าสู่ความสงบพอมันสงบแล้วก็จะมีกําลังต่อสู้กับตัญหาความอยากมีกําลังที่จะพิจารณาอนิจจังพิจารณาอนัตตาพิจารณาอริยสัจสี่ทุก เกิดที่เกิดจากความอยากนี่เราเกิดจากมรรคที่พิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกสิ่งทักอย่างเป็นอนิจจมันก็จะหยุดความอยากได้ท่านี้แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลงทั้งหมดนี้มันอยู่ในใจของเราปัญญาศักดิสิสนี้อยู่ในใจส่วนใหญ่มันจะเป็นแต่ทุกข์กับโสมัย ใจของเราจะคิดแต่เรื่องของความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรสกับลื่เสียงกิ่นรสขดสะพัยู่ตลอดเลลวลาไม่เคยคิดไม่อยากเลยไม่เคยคิดเบื่อกับรากรสสารเสริญเบื่อกับ ล, ลื่เสียงกิ่นลสไม่เคยคิดว่ามันเป็นความทุกข์เลยทั้งที่มันทุกแสนทุก ก็ยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นผู้เกลือแล้วเวลาจะไปเที่ยวสักครั้งเนี่งต้องเตรียมตัวเตรียมการมากน้อยเท่าไหร่ต้องทําหนังสือเดินทางต้องไปขอวีซ่าต้องไปจองตั๋วเรือบินจองที่ทักไปเติมเงาะแล้วก็ต้องไปเสี่ยงภัยกับการเดินทางขึ้นแล้วไม่รู้ว่าจะลงแบบไหน เวลาลงแต่ละครั้งพุดโพพุดโธกันขอให้มันลงดีนะถ้าลงปลอดภัยเราก็อยากจะขึ้นใหม่ทำไมอยุดฉช้ไม่ได้ปลอดภัยกันไม่อยู่กันอยู่กับดินติดดินไม่สบายจะตายเลยชอบไปอยู่บนฟ้ากัน อยู่ยิ่งสูงเวลามันตกลงมามันก็ยิ่งเจ็บนะครัต้องพยายามสร้างทิ่ด่าสอขึ้นมาฉัมพะความยินดีที่จะภาวนาเนี่ยระยะความภาคเพียรการภาวนาจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องภาวนา ไม่คิดในเรื่องอื่นนะจะเอาแต่ภาวนาอย่างเดียววิมังสาจะไม่คิดไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไม่คิดไปทำบุญทอดทอดปลาทอดกระถินไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์พอแล้วสร้างมาพอแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัทดทะลุด้วยโบสถด้วยเจดีย์พระพุทธเจ้าตัทดทะลุด้วยการนั่งภาวนาอยู่ใต้คนต้นโพอยู่ในป่าปีกเว้ยๆอยู่ตามยมพัง ถ้าเราอยากจ ะ, ะบรรลุธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเราก็ต้องปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเราก็ต้องไปปีเร่ไปอยู่ในปา่าในเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามสถานที่สงบสนัตแล้วก็นั่งภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิสหเลา ก, กันไปจนกว่าใจมันจะสงบ ใจสงบแล้วออกจากความสงบมาก็คอยใช้ปัญญาสกัดความอยากต่างๆแต่ยังไม่มีความอยากก็ซ้อมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเช่นความอยากไม่แฝ่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็ต้องพิจารณาร่างกายไปก่อนว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเวลาแก่มันอยากจะไม่แก่เราก็ใช้ปัญญามาสกัดความอยากได้ ว, ว่าห้าไม่ได้ความแก่ ร่ากายเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะแก่เราไปหยุดมันไม่ได้เราไปอยากไม่แก่แล้วจะทําให้เราคลิกใจไปต่อไปโคมันจะหนอกก็ไปไม่งอกก็ไไม่ต้องไปย้อนมันไหน้วมันไปเขียวก็ไปมันเขียวไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปทาสัญญกรรมมันจะเป็นอะไรก็ไปมันเป็นไปทางธรมชาติถ้ายังอยู่ได้นอกจากถ้ามันเกิดไข้ได้ป่วยถ้ารักษาได้ก็รักษาไป หลักษาไม่ได้ก็ต้องก็ต้องอยู่กับมันไปแค่เดียวกับความตายถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันถ้าป้องกันไม่ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปแต่ใจอยาประอยากไม่ตายเป น, นัันคาดเพราะเกิดถ้าไม่มีความอยากไม่ตายแล้วมันจะทุดทํางอารมณใจถ้ามันยอมรับความจริงมันเฉยๆตายก็ได้อยู่ก็ได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้ามันอยู่ก็อยากจะตายอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ถูกเลยก็ยังเป็นความอยากเหมือนกันอยากตายก็ไม่ดีอยากไม่ตายก็ไม่ดีต้องอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างความอยากตายกับความไม่อยากตายก็อยู่เฉยๆเป็นอุเตขาปล่อยวางร่างกายจะอยู่ก็ ป, ป่อนมันอยู่ไปเช้เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายเป็นอารมณพุกรรมภาพาตอนนั้นอยากจะตายเอง อยากตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันยังไม่ตายถึอเวลาร่างกายดีนล้วมันจะตายก็ไม่อยากไม่อยากตายอย่างนี้ก็ทุกข์อีกต้องปล่อยมันไปถึงเวลามันจะตายก็ต้องปล่อยมันไปถึงเวลามันจะอยู่ก็ต้องปล่อยมันอยู่แล้วไป จ, จะไม่ทุกข์เข้าใจไม่ได้เป็นร่างกายไปทุกข์กับร่างกายทําไมเหมือนกับเราไปทุกข์กับคนอื่นเขาทำไม คนหนึ่งเขาจะเป็นก็จะตายทำไมเราต้องไปวุ่นวายไปกับเขาด้วยเราไม่ได้เป็นไม่ได้ตายไปกับเขาเสียหน่อยเนี่ยใจของเราเป็นอย่างนั้นใจของเราไม่มีวันตายใจของเรามาได้ร่างกายเป็นของเล่นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเราก็เลี้ดูตุ๊กตาตัวนี้ออเอตาตอมันพาเราไปยุ่นมานี่พาเราไปเที่ยวถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไปเที่ยวไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเที่ยวแล้วมีหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาถ้าไม่มีความอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาจะเป็นอมตะพึกอมภาพก็เป็นไปอย่างนั้หลวงปู่ชอบท่านนั่งรถเข็นท่านก็ไม่เห็นเดือดร้อนท่านก็อยู่ก็เมือนตายมีคนเข็นท่านไปไหนท่านก็ไปไม่เข็นท่านไปท่านก็หม่ไป ท่าน อ, อยู่ตามอัตตาใจท่ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเมื่อท่านตายท่านไม่ได้ไปหาความสุขท่านไปโตรดสัตท่านไปเผยแผ่ธรรมาไปสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้เองแต่พวกเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเราไม่ได้ไปโปรดสัตรเราไปโปรดเราเองเราไปหาความสุข นานตาหูจมูกทิ้งการไปพอร่างกายไม่สามารถไปได้เราก็หมดจิดเร้าส้อยหัวเหยวอยากจะตายไม่อยากจะอยู่พออยากจะตายก็ทุกข์อีกทุกข์ซ้าซ้อนก็นไปทุกข์ที่ร่างกายแล้วยังต้องมาทุกข์ที่ใจก่อนที่จะมีความอยากตายเวลาร่างกายเป็นอารมณ์ิกมาพาดร่างกายไม่เกิดใค้ได้ป่วยไม่สบาย ใจเฉยๆก็ไม่เดือดรเหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรการทำ่างกายปกติก็เฉยเกิดไข้ได้ป่วยก็เฉยเพราะท่านปฏิบัติรักษาใจให้เฉยด้วยการนั่งสมาธิด้วยการจเจริญปัญญานี่เองเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือรักษาความเฉยความ เ, เป็นอุเบกขาความสงบของใจนี่นิพพานก็คือความสงบของใจใแต่ว่านิพพานนี้เป็นการสงบที่ถาวร การสงบระดับอื่นนี้ยังไม่ถาวรความสงบระดับสมาธิไม่ถาวรเดี๋ยวต้องออกมาจากสมาธิการสงบของท้าโสดาบันก็ไม่ถาวรไม่หมดไม่ครบลอยเพราะสาวะท้าโสดาบันสงบ ก, กับเรื่องทางแก่ความเจ็บท า, า, างการของง่านกายแต่ยังไม่สงบกับเรื่องของการอารมณ์ท้าโสดาบันท้าสติดาคามีนี้ยังวุ่นวายกับเรื่องการาอารมณ์อยู่ยัง แต่ลาเห็นรูปหน้าหน้าตาสวยงามยังเกิดตามอาระมณ์แต่ถ้าอนามาัยนูนี้ไม่มีแล้วท่เห็นอะไรท่านไม่เห็นว่ามันสวยงามเนาะท่าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเห็นตอนที่ร่างกายที่สวยงา ม, มาตาตานี้ตายไปเห็นอาการสาสองเห็นอาการอวัยวะต่างๆที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนั ง, ท, งท่านจึนนนงไม่กวนกวาดกสับกสาย ก, ก, กับกับตามารมณ์ ใจของท่านก็ไม่ไม่ยิ่นวายใจท่านสงบกับเรื่องของง่างกายทุกทุกทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแตรความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามของร่างกายนี้จะไม่สามารถมาทำให้ใจของท่ า, น า, น า, านอนณาคามีไม่สงบได้ได้สามารถผลิตความอยากไม่แป่ไม่เจ็บไม่ตายผลิตความอยากการมลลม ในกามาลงไม่ได้ส่วนท่าอรหันนี้ท่านก็ท่านก็คาจัดความความยวามหลงในการในตัวตนในอัตตาตัวตนท่านไม่ถือว่าท่านมีตัวมีตนท่านถือว่าท่านเป็นตัวรู้เท่านั้นเองรับรู้หมดใครจะดาก็รับรู้ใครจะชมก็รับรู้แต่ไม่มีใครเป็นผู้รับรู้ไม่มีตัวตนมารับรู้ มีตัว ร, รับรู้เหมือนกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปมันถ่ายรูปทุกแบบะใครจะยิ้มถ่ายกล้องมันก็รับมันก็ถ่ายใครจะดา่าใครจะหน้าบึ้งเป็นใส่กล้องมันก็รับมันก็ถ่ายแต่เราใจของผู้ที่ยังมีอัตาตัวต่อมจะรับไม่ได้เวลาใครหน้าบึ้งเป็นเบสิกหยาดหยามือใจมันจะโกรธจะแค้นจะทุบขึ้นมาทันทีเพราะยังมีอัตาตัวต่อมอ พระเจ้าเป็สอนให้ละให้ทําตัวเราเป็นเหมือนตัดตะพีให้สามารถทำให้เป็นเหมือนดินปัดตะพีนี้ใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะอุจจระตัดพลังใส่ตัดตะพีไม่เคยบน่นไม่เคยเดืดอดร้อนใจของเราต้องเป็นอย่างนั้นใครจะดูถูกเหยียดหยามใครจะทํร้ายทำลายอย่างไรก็ไม่เดืดอดรอ้อนเฉยๆไม่ถือตัว ก็ไม่มีตัวตนจะถือมีแต่ตัวรู้ก็รี้ไปเท่านั้นเอ ง, เองให้สัตว์แต้วรู้นักที่ ส, สอนชายที่มาถามพระพุทธเจ้าว่าให้สอนธรรมะในขณะที่กําลังเกิดบินธบาะอยู่พระจะทธเจ้าก็บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะสอนเขาก็ขอให้สอนแบบสั้นๆขอให้สอนแบบสรุปจำการบอกว่าให้รู้เฉยๆสัตว่ารู้ เห็นอะไรก็สักแต่ว่เห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินนอย่าไปคิดตรงกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเขาพูดเราฟั ง, งนี้ไม่ต้องไปปรุงแต่ให้รับรู้เฉยๆท่านจะเข้าจาจความหมายก็ขอขออนุ ญ, ญาตจะเตรียมว่าสับเอกสารเพื่อที่จะได้มาบวช ในการทํางถูกกระเทงขุ่ตายกระพุเจ้าทรงทราบเข้าเข้าสมมตว่าให้ชาวพนัก <ification> จิตแล้วก็สร้างสถูปบรรจุอัฐิของเขาไว้การสร้างประถูปเพื่อบรรจุอ <pour came> <Hebrew> ัฐิก็แสดงว่า <themselves> ต้องเป็นบุคคลสําคัญสมัยก่อนนี้เขาก็สร้างสถูปในเจดีย์เขเพื่อเพื่อเพื่อก็ออรหันา์พระพุทธเจ้าพระปฏิจจคุปตเจ้าและพระมหาสังกพปชัย เพราะนั้นแสดงว่าชายคนนั้นเข้าถึงธรรมแล้เข้าถึงตัวรู้เข้าถึงตัวจิตว่าม่านของอวิชชาโมหะที่หลอกให้คิดว่าตัวนี้ตัวรู้นี้เป็นตัวเราของเราตัวรู้นี้ก็เป็นเพียงแต่ตัวรู้ไม่ได้เป็นตัวเราของเราให้ดู้เฉยๆไม่ใช่เรารับรู้ลับรู้แล้วก็ดีใจเสียใจกับสิ่งที่ลับรู้ อย่างนี้แสดงว่ามีตัวมีตนถ้ารับรู้ถ้ารับรู้ต้องรับรู้แบบกล้องถ่ายรูกล้องถ่รูปมันไม่มีตัวมีตนมันรับภาพอย่างเดียวใครจะทําหน้าอย่างไรถ่ายกล้องมันก็ถ่ายทุกภาพมันไม่เลือกไม่เหมือนใจที่อัตราตัวตนต้องเอาต้องมองแต่คนที่เขายิ้มกับเราคนที่หน้าเบื่งใส่เราเราจะไม่มอง อาจารย์ไหมมีการปฏิบัติให้เข้าถึงตัวรู้เข้าถึงภาพรู้ของจริงของแท้คือเป็นผู้รู้เฉยๆจึกแ ต, ต่ว่ารู้เรารู้เฉยๆฝึกแต่ว่รู้ก็ต้องสงบต้องรับความทิเตรงกันเราจะพทกับความผิด ที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีเจริญไม่มีเสความสุขที่อยู่คู่กับผู้รู้ที่ไม่มีความอยากไม่มีความคิดถึงแต่ก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นถึง จ, จะรู้ได้การฟัานี้ก็เป็นการ เ, เหมือนกับ เ, เปิดทาง ขอให้เดินไปขอให้คิดในแนวนี้ถ้าคิดในแนวนี้ได้ก็ถ้าปฏิบัติตามได้ก็บรรลุได้ถ้าออกจากขลาไปนี้รู้เฉยๆตลอดเวลาก็บรรลุได้แล้วไม่มีความอยากไปไหนแล้ว อ, อ, ยอยู่ที่เฉยๆอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ ม, มีหน้าที่เทแทนจะเลี้ยงดูร่างกายไปตามอัตภาพ มีเลียงก็เลี้ยงไม่มีเลียงก็อดตายก็จบแต่ใจไม่ได้ยืนวายกับเรื่องการนลี้ยงอยู่ร่างกายไม่ได้ยืนวายกับการอยากจะไปไหนมาไหนอยากไปทําอะไรมีอะไรลองไปทําดูอาจารย์ในนี้จะให้ทํานที่ยังไม่ได้ถวายของก็้ามาถวายของ กัรที่ตัองการนั่งเฉยธรรมะถันตีดีก็เข้ามาเ้ามาต่อวยเข้ามารับษา หนังสือหนังสือที่ดีหยิบได้เลยนะครับหยิบได้เลยนะครับเด็กไหนม่นหยิบได้ครับหยิบไมได้นะหนังสือที่ดีหยิบได้เลยนะครับ ไปเลยนะครับ เสือได้เลยนะครับวางไวตรงนั้นครับแล้วถวายใบท่านอย่างเดียวครับ อ๋อเอาไปเอาไปได้ได้ครับยังไม่ได้เลยครับจะได้ระไว้ที่บ้านทรรมะครับขอบคุณครับ ใช่ไ้ฮผลไม้ไม่ต้องครับของทานต้องต้องแยกไว้ถวายไว้ประเคนทีหลังอ่าฝากไว้ประเคนแลอันไหนนั่งร้นปวางตรงกองนูเลยแล้วถวายใบอย่่งเดียวน้ผลไม้ได้น่ฝาผลไม้ถวายด้วยนะคะทีหลังนะครับ่าต่มก็ไม่ได้มกไม่ได้หน้ผลไม้ไม่นน้อเปิ้มไงวันนี้ถ่าถวายแลว ปากก็ถวายแล้วเหมือนใจถวไม่เป็นไใจถวายก็ได้ขั้นสั้นเพื่อนนะค่ะาไม่ต้องน้อเปิลหนูฝาไว้หน่อยเหรยไม่ได้ถวายก็ได้ถวายเหมือนกันมาษ้าเลยไม่ได้ฟังพรหลวงเสด็อะคฟังเอาอะฟก็ได้ครับอะไรค่ะ หยิได้เลยครับฮะมีขอนกนมหูนะคะนี่ครับได้เลยครับ้ามาเลยครับ ทาี่ต้องการารับชมเท释นาตามของพระอาจารย์ทุกตอนเลยนะครับเข้าไปที่พรสุชาติ .com ได้นะครับ ม, มีทุกตอนอาทิตย์ไหนไม่ได้มาก็าเปิดรับชมได้อของเมื่อคืนก็เามื่อวานก็โหลดไปเรียบร้อยแล้วล ว, วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ดูครับประมาณเชานน้ากกนหน่อยได้ใจเตือนะเพราะว่าเป็นทออกไปแล้วเนี่ยผู้คนอ่านกันมากมายถ้ดีถ้าเขาได้รับประโยชน์ก็ แก็ไม่รับประโยชน์ก็ไม่สนใจคนข้างล่า ง, งผมใช้ได้าน้ั <Hello. S 1> ครับท้าเขาฟังแล้วเขาเกิดสะาก็ไม่เหนื่อยหายเหนื่อยา <c oughs> ฟังแล้วเขาอูซ้ายหอบหูขวายอย่างเง <Okay. S 1> <ๆ>ี้ยเลย ทุกคนน่ะนะนี่จะหมดแตปีต้องไม่จำ้ไม่เรียนเดือนเดือนเดือนหน้าเดือนหนก็เดือนเดือนสุดท้ายของเดือนที่แปดแตปีที่แปดก็่นสี่แปดใช่ไหมไม่ถูนา นี่มันก็การ7ปีแล้วนะมันน่าจะมีอะไรมาโชว์บ้างนะพรทธเจ้าสงสารนะถ้าไม่อนาหันก็ต้องอนาค า, า, <อ>าเมย์นะภายในเจ็ปีนี่ถ้าปล่อยวางการ ม, มาฉันท์าไม่ได้ก็นั่งสมาธิไม่มีวันที่จะพ้บได้เพราะการมาฉันท์า น, นี้เป็นวันเป็นกำแพง ผู้ที่จะไปทะลุเข้าสู่การสงบไม่ต้องฟันกาแพงนิ่งไปมีวันในห้าทาง ม, มาชันทะวิจิติจิตาความสงสยัยลังเลยสมสัยในเรื่องของการปฏิบัติ ว, ตบบว่าจะได้ผลจิตนี้อไม่ต้องไม่พิงความลังเลยต้องเชื่อ ว, ว่าภาวนาแล้วจะต้องสงบแน่นะ่เจริญสติบริการพุโทโธแล้วต้องต้องสงบแน่แนกะาร ม, มาชันทะก็ต้องหับไป ไม่ดูหนัาางฟําเพลงถือสิงแตะไปไม่ใช่เฉพาะวันพระทุกวันเลยสำหรับ น, นักปฏิบัติเนี่ยเราต้องเป็นนักบวชทางใจถ้าเราบวชนุ่งหลืองอมเหืองไม่ได้เราก็าบวชทางใจไปอย่างน้อยก็ต้องถือสิงนำนักบวชแปดข้อก็คือสิงแตนี่ที่ถ้าไม้ถือวันพระก็เป็นการชิมรางกันก่อนพอชิมไปแล้วรู้สึกว่าอริดอร่อย ก็จะอยากจะรักษาไปเรื่อยๆจากวันเดียวกลายเป็นเจ็ดวันรักษาไปเป็นฤกษ์จะสิ้นแต่วิธีที่จะกําจัดการมาฉันทะว่าถ้าเราถือสิ้นแต่เราก็ดูดูแมงดูลครไม่ได้ทำเพลงไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานเงินเป็นเท่าไม่หลายไม่ได้อันนี้คือการมาฉันะทะวิธีการจัด ในโซนความสงสัยก็ต้องฟังเทศฟังกัรอยู่เรื่อยๆฟังถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่ามีจริงภาวนาแล้วจิตสงบจริงดับความทุกข์ได้จริงหลุดพ้นได้จริงจากการภาวนาถ้าฟังอย่างนี้เราก็จะไม่สงสัยก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการภาวนาแล้วตัวนิว อ, อีกตัวก็คือความง่วงเหงาเผลอนอน ก็ได้าจากการเนี้ถือสินแต่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งคือรับประทานอาหารพอประมาณไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่งวันไปแล้วถ้ารับประทานอาหารเย็นนี่มันจะน่วงมากเวลาถึงเวลาภาวนานี่มันจะนอนแล้วะถ้าไม่ได้ฉันหารรับประทาน า, ารเย็นนี้ท้างว่างมันก็จะพอที่จะนั่งพอนอได้ถ้ามันง่วงก็ต้องใช้มาตรการเข้มข้นกว่า น, น, นี้ ก็คือโอดไปหาญไปเลยทั้งวันหรือไม่เชนั้นก็ไปหาที่ที่น่ากลัวอยู่ไปนั่งแถวเมนแถวป่าชาเวลามันมีความกลัวแล้วมันจะไม่ง่วงแต่ต้องมีสติพอควบคุมความกลัวได้จนเวลาเกิดความกลัวก็ต้องสามารถปฏิกรรมพุทโธเจริทพุทธาพุทธสติธรรมานิสติ ส, ตสังขารนสติให้ได้ ถ้าเจริญได้อย่างต่อเนื่องจิตก็จะสงบความกลัวก็จะหายไปนี่นะอีข้อนึงก็คือมี อ, อีกข้อนึงก็คือความฟุ่งสร้างความพุ่งสร้างก็ต้องใช้สติเนี่ยเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปสกัดความคิดตรุงแต่งถ้าเราบริกรรมพุทโธมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ามันคิดไม่ได้มันก็ไม่ฟุง้งซ่านมันก็จะสงบถึงแม้จะไม่สงบเต็งที่มันก็จะ จะว่างจะเย็นจะสบายจะคิดบ้างแต่คิดไม่มากเหมือนกับไม่มีพุทธโธบางหนึ่งคนจะขึ้นได้ยังมีพุทธโธขึ้นไปคิดคขึ้งหนึ่งได้นี้างดเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขาถ้าเรามีเบรคคอยเบรคไว้ เ, เรื่อยๆมันก็จะไม่วิ่งลงไปเร็วจนเกินไปความคิดของเราถ้ามีพุทธโธคอยสกัดอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านถือไม่มันจะคิดบ้างมันก็จะไม่ไม่คิดแบบฟุง้งซ่างแบบไม่มีเบรค ถ้าเราอยากจะกำจัดวิวรรจ์คือความคุงสั้นเราก็ต้องใช้ใช้การเจริญสติบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆมีแล้จิี่ข้อนะสี่แล้ีกข้อหนึ่งก็คืออะไรความโกรธความบังคับใจความโกรธท่านก็บถ้าเราโกรธคนก็ต้องแผ่หนีตาต้องทิ้ให้อไยอย่าไปเอาเรื่องเอาเราว อย่าไปจองเวียนจองทำถือว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำนั้นเราห้ามไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้เราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่เกิดเวลาเขาไม่ได้ทำตามที่เราอยากเพราะเราไม่มีความอยากเราไม่ได้อยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้เราก็จะไม่เดือดร้อน ต้องให้อภัยถ้าให้อภัยได้ความโกรธก็จะหายไปมีเกิดมีวอนห้าประการด้วยกันที่เป็นอุปสรรคต่อการทําจให้สนบพรพุทธเจ้าจึงต้องมีมาตรการให้ทดลอจเจริญการเช่นรักษาสีแปดเจริญสติหาที่อยู่ที่สงบสนัดที่น่ากลัวเจริญสติอย่างต่อเนื่อง รับประทานอาหารพอประมาณไม่รับประทานมากเกินเกินไปแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยฟังธรรมปฏิบัติฟังธรรมที่เกี่ยวกับการภาวนาทั้งส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผลทาแล้วก็จะไม่สงสัยว่ า, ม, า ม, มัรผลนิพพานมีจริงหรือไม่ผลที่เกิดจากสมาธิมีจริงหรือไม่จะไม่จะไม่สงสยัย จะทำด้วยความมั่นใจว่าถ้าเราทําเหตุที่ถูกผลที่ถูกก็จะต้องปรากฏตามขึม้นมาอย่างแน่นอนตอนนี้มีปัญหาอยู่ที่เหตุมันไม่มีเหตุของเรามันยังไม่ขาดตัวมันยังนงมลุกคุกคลานอยู่มันกําลังตั้งไขย่ยังไม่คลอดเราต้องพยายามประครับประคองเหตุคือการเจริญสติการกําจัดนิวรณต่างๆ การรักษาสิการความเที่ยงธรรการควบคุมอารมณ์ความโกรธด้วยการให้อภยัยแล้วต่อไปความสงบมันก็จะลงปรากฏ ข, ขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้ น, น, นทุกสิ่งทุกอย่างมันมลงที่ตัวเราแนละ้มันไม่ได้อยู่ที่ใครแนละ้วผู้อื่นเขาทำหน้าที่ของเขาเจ็งที่แนละ้วพระเจ้า พระอริยสงสาวกครูบาอาจารย์ท่านทําหน้าที่ของท่านแนละ้วท่านปฏิบัติท่านบรรลุแนละ้วท่านทําหน้าที่สั่งสอนเอาสิ่งที่ท่านรู้ท่างเห็นมาเผยแผ่แนละ้วมาบอกแนละ้วอยูที่ดาวเท่านนีะ้ที่เราจะต้องออกไปปฏิบัติถ้าเราไม่ปไปไปปฏิบัติก็เหมือนกับรับยามาจากหมอแล้วไม่รับประทานยาถ้าไม่รับประทานยาร่อที่ที่เป็นอยู่ก็จะไม่หาย โลกที่เราเป็นกัรอยู่นี้ก็คือโลกความทุกข์ใจโลกของใจก็คือความทุกข์ใจไม่สบายใจความเครียดต่างๆความทุ้งท่าเราต้องกินยาของที่พระเจ้าส่งมาให้นก็คือทานสิ่ภาวนาแต่เราติ่มไม่ครบกันเราติ่มเพียงบางอย่างแล้เลือกกินมยายายานี้อร่อยยานี้หวานกินได้ยานี้ขอมเกินระมัดไม่กินเลย เรากินันอยา ง, ง่ายๆเจาแต่ทานอย่างเดียวถิ่นแปดไม่เอาภาวนาไม่เอาปีกเวฟไม่เอามันก็เลยมันก็เลยรักษาโรคไม่หายสักทีมันต้องกินยาให้ครบสุดนะทานศินภาวนาเนี่กันยาสามชนิดที่พวกเราต้องรับประทานกันอย่าแต่ทานยาที่เคลือบน้ำต า, อาลอร์ลหวานอมได้ยาที่ขมไม่แมว เ, เลย เราจะให้พรมกเคร 3, ื่ออีกพรนที่ทำงานัี่ไหนถ้ามีตัวนี้แล้วก็จะมายหมาย็วถ้ามีตัวนี้แล้วองถามารถที่จะจะปฏิบัติจะมีสุ่หมายไอย่างเงี้ยค่ะ ทีนรู้หไหมแต่ขเขามาตัวนี้ผู้นี้มีนจะมีต่อมไม่ต้องภาวนาหรือมันมาเกิดยังไงเกิดแน่เวลเจิตรวมเป็นหนึ่งก็จะเห็นตัวรู้เนียสัตว์ตัวรู้หนึ่งพอเห็นตัวรู้ล้วก็รู้ว่าอ๋อเนี่ะ เ, เราต้องรักษาตัวนี้ไว้ให้มันรู้เฉยๆให้มันเป็นเป็นอุเบกขาถ้าเราไม่เข้าถึงตัวนี้เราก็จะคิดว่าเราเป็นตัวตนเราต้องต่อสู้ตอบโต้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสกับมากระทบใจเรา อะไรทําให้เราไม่สบายใจเราต้องจัดการกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นตัวรู้แล้วไม่ต้องจัดการอะไรที่นั่นให้รู้เฉยๆเพราะการรู้เฉยๆนี่มันสบายกว่าการสบายกว่าการไปจัดการไปต่อสู้ไปต่อโต้เหนื่อยไปต่อไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เลยอย่อยที่พระเจ้าบอก ว, ว่าต่อให้ชนะคนเป็นเหมือนเป็นช้างก็สู้ชนะใจตัวเดียวไม่ได้ ชนะตัวที่อยากจะไปต่อสู้นี้ให้มันรู้เฉยๆฉห้มันปล่อยวางที่จะรู้ตัวนี้ได้จิตต้องเรียนู้อกาศนี่ต้ตรู้ไม่ต้องภาวนาบางคนเขาไม่ต้องภาวนาอย่างที่พระเจ้าสอนชัยคนนั้นแสดงว่าเขาเขารู้แลไงเขาพับเขาเขาสถึงตัวนั้นแล้ว เขาเคยภาวนาเมื่อก่อนนะจิตของผู้ที่เข้าถึงตัวนี้ต้องพอนะต้องสงบแล้วถึงจะเข้าถึงตัวนี้ได้อก็พูดโทรทั้งวันเี่ยไปอยู่ไปไปอยู่กอเขาสวนหลวงไม่ต้องไปไหนตนกว่าจะเจอตัวนี้ไม่เจอตัวนี้แล้วก็ค่อยกลับมาถ้าเจอตัวนี้เราไปอยู่ที่ไหนก็ไปได้นะนะไม่เป็นปัญหา มันไม่เจอตัวนี้แต่มันไ่เจอตัวเราของเราเอานะยะหาวะริวหาตุราตาลิตุเรงติสาการเอวันเนวะอิโตจินางเตตานังอุปกาปติอิชิตังปะิตังตุมหังทิปะเมวสัมิชตุัเทตรตุสังกปา จัมโทปนาราโสยถามานเกติวัสโสยถาสัพพิโยวิวัจจันโตสัพพะโโควินาศตมาเตหวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวาอพิวาทนสีษิจมิตังวิทาปจายโนจตารุธรรมวัานติ อายุวันนูสุขังพะลัง